อยากตัดแต่ตัดไม่ขาดแค่ทำไว้ในใจว่าที่สุดขอให้จากดีอย่าจากร้ายและพฤติกรรมทั้งหลายจะรวมลงไปถึงจุดนั้นเองความผูกพันกับบางคนเหมือนสิ่งลึกลับคุณแยกไม่ออกระหว่างรักกับเกลียดคุณบอกไม่ถูกด้วยซ้ำว่ามันเริ่มขึ้นเมื่อไรแน่แล้วก็มองไม่เห็นเลยว่า เมื่อใดจะจบจะสิน้นคล้ายมีพลังชักใยญ่อยู่เบื้องหลังอยู่นอกเหนือประสบการณ์ที่สัมผัสได้มันเหมือนอยู่ตรงนั้นก่อนที่คุณเขาหรือเธอจะเกิดมาอีกทั้งน่าจะอยู่ตรงนั้นหลังจากที่คุณและคนทั้งโลกล้มหายตายจากไปแล้วด้วยสายสัมพันธ์อันน่าทรมานเหมือนมีความผิดยังชดใช้ไม่หมดแถมเป็นเห็นว่ามีระเบิดเวลาซุกอยู่ข้างหน้า และจะหาอะไรมาปลดแอกตัวเองได้ความผูกพันที่ลึกลับอธิบายยากทำนองนี้ทำให้คนธรรมดาทั่วไปมีความโน้มเอียงจะเชื่อเรื่องปางก่อนปางหลังแต่คนธรรมดาที่ไรอภิญญารู้แจ้งเห็นจริงก็ไม่อาจทราบได้อยู่ดีว่าชาติก่อนเคยผูกกรรมกับใครไว้อย่างไรจึงรู้สึกอึอดอดัดอั้มอึงืหืไม่เข้าคลายไม่ออกได้แต่พูดตามๆกันเป็นคาสาเร็จรูป เช่นเคยทำบุญร่วมชาติตักบาดร่วมขันยังใช้กรรมกันไม่หมดยังตัดเวรกันไม่ขาดเป็นต้นความโยงใยความผูกพันความร้อยรัดแบบที่ตัดไม่ตายขายไม่ขาดนั้นแท้จริงแล้วมีภาพรวมอยู่ว่าเป็นดวงสว่างหรือดวงมืดมากกว่ากันเป็นสายโซ่แห่งบาปเวรประมาณใดเป็นสายใยแห่งบุญคุณขนาดไหนเหลือแรงดึงดูดอยู่เท่าไหร่ แม้ตายไปคนหนึ่งขึ้นสูงคนหนึ่งลงต่ำแยกย้ายชั่วคราวในที่สุดก็ประจบครบรอบถูกแรงกรรมดึงดูดมาพบมารื่นรมมาทรมานร่วมกันอีกอยู่ดีแต่เมื่อไม่อาจเห็นความโยงใหญ่นั้นด้วยกำลังอภิญญาตาทิพนิคราวเดียวก็อาจสะสมกำลังสติไปเรื่อยๆวันต่อวันมองผ่านช่องทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว ในอายตนาบ พ, พะของมหาสติประธานสูตรนั่นคือให้มองโซร้ายและสายใหญ่ดีทั้งหลายโดยความเป็นสังโยชน์การจะตรวจดูว่าคุณมีสังโยชน์ใดอยู่บ้างไม่ใช่การหลับตานึกเอาหรือคาดเขนเอาแต่ต้องด้วยการรู้ใจตัวเองผ่านสัมผัสที่เข้ามากระทบชนิดต่างๆเห็นใครแล้วรู้สึกอยากมอง แปล ว, ว่ายังมีสังโยชน์ทางตากับเขาได้ยินเสียงใครแล้วรู้สึกอยากฟังแปล ว, ว่ายังมีสังโยชน์ทางหูกับเขาคิดถึงเหตุการณ์ใดร่วมกับใครแล้วรู้สึกอยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นอีกแปล ว, ว่ายังมีสังโยชน์ทางใจกับเขาอยู่สังโยชน์ที่มีต่อคนแปลกหน้ามักเกิดขึ้นในทางกรรมคุณถ่ายเดียวเช่นที่มีต่อนักร้องดาราในแบบหนึ่งแบบ แต่สังโยชน์ที่มีต่อคนรู้จักคนที่มีเหตุให้เข้ามาผัวพันใกล้ชิดอาจเกิดขึ้นได้ซับซ้อนพิสดารโดยเฉพาะความคิดคำหนึง่งแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ความสุขความทุกข์ที่ระคนปนเปนจนแยกไม่ออกการคาดคะเน ห, หรือพยายามวิเคราะห์ด้วยความคิดเป็นเหตุเป็นผลมักไร้ประโยชน์ในเมื่อจิตแบบคิดคิดนึกนึก ไม่อาจขุดค้นลงไปเจอภาพนิมิตเหตุการณ์ปางก่อนอันเป็นที่มาที่ไปของความเป็นโซร้ายสายใยดีแต่การสักเะรู้และยอมรับตามจริงไปเรื่อยเว่ากระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางใจและคุณรู้สึกถึงความผูกความคลายรู้สึกติดพันหรืออยากออกห่างบ่อยเข้าจะเกิดความรู้ขึ้นเองอย่างหนึ่งคือตอนนี้ คุณไปได้หรือยังไม่มีทางไปประมาณไหนและถ้ายังรู้รู้รู้ต่อไปเรื่อยเรื่กระทั่งถึงขีดที่สติมีความสามารถเห็นความไม่แน่นอนเช่นเห็นด้วยตาวันก่อนผูกพันมากเห็นด้วยตาวันนี้ผูกพันน้อยสัมผัสเนื้อตัวตอนนี้รู้สึกรังเกียจแต่หัวนึกถึงสัมผัสครั้งแรกยังยินดีอยู่เป็นต้น จิตจะฉลาดขึ้นและทราบไดยว่าความผูกพันความโยงใยไม่ใช่อะไรที่ต้องอยู่ตรงนั้นถาวรทุกอย่างเปลี่ยนแปลงพันโพนได้ตามเหตุปัจจัยเป็นครั้งครั้งถ้าสติเจริญขึ้นเกินระดับคิดคิดนึกๆเกิดความอย่างรู้ขึ้นเองเหนือสัญชาตญาณเหนือสามัญสำนึกเห็นภาพชีวิตเขาชีวิตเราเป็นนิมิตชัดเจนอยู่ในใจ คุณจะประมาณความเหนียวแน่นของโซ่ร้ายสายใยดีถูกอ่านออกทะลุโปร่ปรงว่าระหว่างคุณกับใครจะต้องแยกทางกันชาตินี้เมื่อใดจะต้องมาร่วมทางกันอีกในชาติไหนทุกวันนี้คนอยู่บนเส้นทางเพิ่มห่วงหรือลดห่วงคุณถูกโซ่กรรมร้อยรัดหนักแค่ไหนหรือเหลือสายใยอาวรนประมาณใดที่จะตัดทุกความผูกทำลายทุกปมฝังใจ ก่าจะได้พ้นไปไม่ต้องกลับมาเจอใกลๆอีกสำหรับท่านที่อยากรู้สู่สำเร็จตายตัวในการตัดสินใจแท้จริงแล้วการตัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบอกชัดครอบจักรวาลไม่ได้บทความนี้มุ่งเน้นให้เข้าใจตัวเองและเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทำความระหนักว่าตัวเองกำลังอยู่บนเส้นทางเพิ่มความร้อยรัด หรือคลายออกเพราะหลายคนมาออกแนวตั้งโจทย์ผิดๆเช่นคิดว่าทำยังไงจะไม่ต้องเจอกันอีกแล้วหาสูตรสาเร็จซึ่งทำไม่ได้จริงกันหรือหนักกว่านั้นคืออธิษฐานนั่นอธิษฐานนี่ตอกย้ำกรรมสัมพันธ์ซับซ้อนหนักหนาสาหัสขึ้นไปอีกถ้าอยากตัดแค่ทำไว้ในใจว่าที่สุดขอให้จากดี อย่าจากร้ายและพฤติกรรมทั้งหลายจะรวมลงไปถึงจุดนั้นเองแต่ถ้าไม่ทำไว้ในใจแบบนี้จะพบตัวเองอยู่บนเส้นทางคุ้มดีคุ้มร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้วันหนึ่งอยากแช่งวันหนึ่งอยากชมเจอหน้ากันด้วยความรู้สึกเหมือนคนบ้าไม่รู้ว่ารักแรงหรือเกลียดแรงเพราะอะไรลืมหมดว่าเคยคิดเคยรู้สึกอะไรไว้แค่ไหนเห็นจุดนี้ละ สำคัญที่สุด